เรียกว่าหมดว่าด้วยปฏิคุระสัญญาหน้าเก้าสิบสีุ่ณาจะพรังพิกเวภิกขุภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่อีกไสยตาปีปสัสยยาสาริรามภิกษุทั้งหลายเหมือนกับว่าเห็นซากศพ ชีวะทีกายาชาที่ามที่เขาทิ้งไว้ในป่าชตาที่ทิ้งศพเอกาหะมะตังวทะทวีหะมะตังวาตีหะมะตังวา่าตายแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้าง อุตุมาตะกังวินิละกังวิปภะกะชจามัํกำลังขึ้นอืดมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้องไหลหน่าเกลียดฉันไดโสอิมาเมวกายยังอุปสังหาราตีเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายว่า อายมปิโคกายโยแม่กายนี้แหลเอวังธรรมัก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้เอวังภาวีมีภาวะเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตติไม่ล่วงพลจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ ใสยวาตถิกายชาติตามที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาทิ้งศพกาเกหิวาขัจฉามานำอันฝุงกาบ้างเจาะกินอยู่คิเชหิวาขัจฉามานำอันฝุงนกกรากุมบ้างจิกินอยู่ อุลเลหิวาคัจฉะมานังอันฝูงแรงบางเจาะ ก, กินอยู่สุวานหิวาคัจฉะมานังสุนักบางกัดกินอยู่ สิงคาเลหีวคขจฉมานังอันฝูงสุนักจิงจอก บ, บ้างกัดกินอยู่วิวิเทหีวาปานะกาชเาเทหีขจฉมานังอันฝูงนอนต่างชนิดบางบ่อนกินอยู่ฉันได สีวะทกายาชาติตามที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพอาทิสังกิกดำเป็นโครงกระดูกมะมังสาโลหิตามมีเนื้อและเลือดนาหาูสัมพันธ์ดอย่างมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัฐอยู่ชั้นใด สีวาทิกายาชาตติตามที่เขาทิ้งไว้ในฝ่าช้าที่ทิ้งศพอาติสังคาริกังเป็นโครงกระดูกนิมังสาโลหิตามรมกิกามปราเ จ, จากยังมีเลือดเปื้อนอยู่นาหารูสัมพันธา อย่างมีเอ็นเป็นเครื่องเรื่องรัฐอยู่ฉันไดสิวาติกายาชิตติดำที่เขาทิ้งไว้ในภาชาที่ทิ้งศพสังการิกามเป็นโคงกระดูอาปาคตามัสาโลหิตามปราจจากเนื้อและเลือนแล้ว ลูสัมพันธ์ดแต่ยังมีเอ็นดึงรัดอยู่ฉันไ ด, ด้สิวาติกายชาติตามที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาดีทิศอกอิกนี้เป็นโครงกระดูกอาปาคาตานหนาหลูสัมบันดานี้ไม่มีเอ็นดึงรัดแล้ว ดิสาวีดิสาวกิตานีกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆอันเยนาหาติกังอันเยนาปาทิติกังกระดูกมือไปทางกระดูกเท้าไปทางอันเยนาชังพัตติกังอันเยนาอุระติกัง <c oughs> กระดูกขาไปทางอันเยนาการติดที่กำอันเยนปิดทีกับตัตาที่กงกระดูกสะเอวไปทางกระดูกสันหลังไปทางอันเยนพผ้าสุกัดที่กอันเยนอุรัสทิกกง กระดูกซี่โครงไปทางกระดูกหน้าอกไปทางอันเยนะปาหุตทิกรงอันเยนะอังสัตทธิกั ง, ง, ก, งกระดูกแขนไปทางกระดูกไหลไปทางอันเยนาคีวัตทีกังอันเยานาฮาณุทีิกรรมกระดูกคอไปทางกระดูกขา้างไปทาง อันเยนาทันติกัมอันเยนาศิษกาะรามกระดูฟันไปทางกะโหลกศีรษะไปทางฉันใดศิวาทิกายาชาติตามาในป่าชาติทิ้งศพอาทิกานีจเป็นชิ้นกระดูกทั้งลาย เซตานิสังขวนุปานิกานีมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังชัดได้สิวัติกายชาตธิตัมที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพอธิกานี้เป็นชิ้นกระดูกทั้งลายอุณชากิตานิเตโรวัตสิกานิ เป็นกองกองเรือราชอยู่นานเกิดกว่าปีหนึ่งสันไดสิวาธิกายาชาติตาที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาที่ทิ้งศพตาิกานียเป็นกระดูกทั้งหลายปูตินิจุนกกาชาตานียเปลือยเป็นผงละเอียดชันได โสอิมาเมวกายยังอุปสังหารตีเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายว่าอายัมปีโคกายโยแม้กายนี้แหลเอวังธรรมโมก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้เอวังภาวียมีภาวะเป็นอย่างนี้ เอวังอนาติโตติไม่ล่วงพนความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้อิติอาชาตังวากายะกายานุปัสสีวิตีด้ดยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นปกตกิพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้าง ปะหิดาวะกายะกายานุปัสีวิหารตีในกายอันเป็นภายนอกบ้างอาชาตตาปะฮิดาวะกายะกายานุปัสสิวิระตีในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างสาวูทายะธามานุปาสีิวากายสมิวิน ระดีแคเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนิบับังวายธรรมานุปัสสิวากายะสมิงวิหรารดีเป็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนิบัตงสามุทยายวายธรรมานุปัสสิวากายะสมิงวิ เหตนทัางทางอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บางอาธิกายโยติวาปน า, าสสติปัจจุปติตาโหติก็แลสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวะเทวยานามตาญายังเพื่อรู य, ้อะติสัตติมาตาญาเรื่องเพื่ออาศัยระฤึอนิสิตโดยชาวฮารติีที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและที่ที่อาศัยไม่ได้น่าจะกินจิโลเกอุปาทิาิ เธ อ, อไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวังปีโคพิคาเวกุก เ, เยกา ย, ายานุปัีวิเวห า, าตีภิกษุทั้งหลายแมย้อ่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ Mmm.